ถ้าเมื่อไรจิตลืมเครื่องอยู่อันนี้แสดงว่าหลงไปแล้วไหลไปละไหลไปที่อื่นงั้นเวลาเราพุทโธนะเราคอยสังเกตพุทโธพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดให้รู้ทันพุทโธพุทโธจิตมาเพ่งอยู่กับการบริกรรมพุทโธให้รู้ทันจิตไปเพ่งได้ก็ไหลเหมือนกันไหลไปนิ่งๆเวลารู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าไปจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน หัดรู้ทันจิตที่ไหลไปอย่างนี้นดูท้องพองยุบนะจิตนี้วิคิดเรื่องอื่รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทนันเดินจงกรมอยู่จิตไหลวิคิดเรื่องอื่รู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตไหลไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยก็รู้ทันรวมความแล้วจิตไหลไปไหนรู้ทันไว้เรื่อนนยๆยต่อไปพอจิตไหลปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอดีพอดี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 หลวงพ่อ hmm. ก like ็บอกท่านดูเวทนาเมื่อก่อนท่านไปศาลาลุงชินประจําบอกท่านเจ็บดูไปเวทนาไม่ใช่ร่างกายเวทนาไม่ใช่จิตท่านดูนะมันแยกกันได้กระจายออกจากกันนะแต่ละอันแต่ละนไม่มีเราดูลงไปเด้วยจะเห็นว่าไม่มีเราสุดท้ายจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นธรรมชาติรู้นะเดี๋ยวก็เป็นธรรมชาติรู้เดี๋ยวก็เป็นธรรมชาติหลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงแปลปรวนเหมือนกันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกัน